๙ชัตตุปาหณะวัคสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยสามสิบเก้าพินีกั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายามสองเมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี